เอาออกทิ้งไปบ้านเราจะได้สดใสเสน่ห์จันไรจะต้องไม่มีเทวาะจะลงรักษาเสน่ห์จะมาบ้านก็สมอ่ะมาฟังเคสตัดดี้กันลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาฟังทางโทรศัพท์ที่บ้านคะ่ะชอบรายการนี้มาก หลวงพ่อสอนให้เขาคิดที่ดีมากและสามารถนาไปใช้ในการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องได้เป็นอย่างดีครอบครัวของลูกเขาวัดพรธ ร, รมกายเกือบทุกคนฟังเคสซาดีแล้วชอบมากเป็นเรื่องจริงที่คุณครูรู้ไม่ใหญ่ได้เมตตาลูกๆทุกคนฟังแล้วก็ได้ความกระจายแจ้งอย่างดีในทุกเรื่องและบางอย่างเราสามารถนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตของเราได้ ลูกจึงอยากขอความเมตตาคุณครูมม่หญ่ได้ฟันได้ฟันเรื่องของคุณพ่อของลูกและคุณแม่คุณตาคุณยายด้วยเจ้าค่ะคุณพ่อของลูกมีเชื้อสายจีนประกอบอาชีพรับวิษาหกิจปลายนีตอนมิหนุ่มคุณพ่อเคยบวชเรียนประมาณสองสาปีคือบวชได้สองสามพรรษาต่อมาได้แต่างงานกับคุณแม่มีลูกด้วยกันถึงสองคนโอยเล่นฟุตบอลได้เลยดิ คุณแม่เป็นแม่บ้านคุณพ่อเป็นคนคนเดียวที่ต้องรับผิดชอบหาเลี้ยงครอบครัวรลำบากมากในการหาเงินมาเลี้ยงลูกและครอบครัวและส่งเสียลูกเราเรียนพ่อมีนิสัยใจร้อนผงผางชอบดื่มเหล้ากับเพื่อนเป็นประจำทุกวันและสูบบุรี่เอแล้วกันออแมมอุตสาบวดตั้งสองสามรรษาบวชแล้วนี่นะถ้าจาเป็นต้องลาสิกขาเนี่ยย้ายเสียผ้าเหลืองนะลูกนะสาคัญนะ บวช แ, แล้วเราเป็นคนสุขแล้วเนี่ยจะต้องเป็นต้นแบบที่ดีของโลกพ่อมินิสัยใจร้อนผงผางชอบดื่มเหล้ากับเพื่อนเป็นประจำทุกวันและสุบุรีเล่นหวยใต้ดินและเล่นม้าเป็นประจำ<อ>ได้บ้างเสียบ้างบางวันเสียหมดก็ต้องเดินกลับบ้าน<อ> <laughs> เพราะไม่มีเงินค่ารถ <laughs> ขาไปขี่มา้าขามาขี่แพะ <laughs> โอ้ <laughs> คุณพ่อต้องทำทุกวิธีทางเพื่อเด้งเงินมาเลี้ยงลูก บ่อยครั้งที่พ่อตั้งจับสัตว์ประทานอาหารให้ลูกๆกินแล้วเวลาชวนเพื่อนมากินเหล้าที่บ้านพ่อก็จะเข้าครัวทำอาหารและ ก, กลับแกล้มเองเวลาพ่อดื่มเหล้าเมาแล้วดูนะดูนะดูดูโทษและคุณของสุราเนี่ยเดิมเหล้ามาแล้วก็จะบ่นว่าลูกเมียบางครั้งดื่มเหล้าอย่างหนักในดัวโทษของการดื่มเหล้านะจนป่วย มีอาการลิ้นแข็งพูดไม่ได้ลูกๆต้องพาเข้าโรงพยาบาลหมอห้ามไม่ให้ดื่มอีกแต่พ่อก็ติดเหล้าแล้วเห็นแม่พอติดเล้าไอ้สิ่งที่ควรติดไม่ยักติดนะไปติดไอ้สิ่งที่ไม่ควรติดศูนย์กลางกายนี่ควรติดถ้าใจติดแล้วจะติดใจนะจะบอกใครตรงนั้น <c oughs> ก็กลับมาดื่มอีกครั้งสุดท้ายก่อนเสียชีวิตกับพ่อไม่ได้ไม่ได้ดื่มเหล้าสองวัน ก่อนตายสองวันท่านั้นที่ไม่ได้ดื่มด oh. ังนั้นดื่มตลอด oh. ทีนี้ฟังตรงนี้ให้ดีนะ <Okay. S 1> อย่าฟุ้งลืมฟังกันนะจ๊ะตรงนี้นะจะอ่านช้าๆเช้าวันที่จะเสียชีวิตท่านบ่นว่าปวดหัวมากๆแล้วไปเข้าห้องน้ำออกมาคุณพ่อเดินขึ้นบ้านไม่ไหวลูกๆพยุงขึ้นไปนอนบนบ้าน <Okay. S 1> คุณพ่อ เริ่มพูดไม่ได้แต่เหมือนอยังมีสติคว้ามือลูกสาวที่นั่งเฝ้าไปจับที่ท้องของท่านค oh. ว้ามือไปจับที่ท้องเหมือนจะบอกให้ช่วยอะไรสักอย่าง oh. สักพักก็สะดุ้งลุกพลดพราดขึ้นมาลุกพูดพลาดเหมือนเมื่อวานนี่ไง oh. สักพักก็กสะดุ้งลุกพูดพลาดขึ้นมาแล้วก็ล้มฟาดเปลี่ยนลงมากับพื้นอย่างแรง oh. แล้วพ่อก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยลูกๆจึงพาส่งโรงพยาบาลเข้าห้องไอซีย หมอบอกอาการหนักให้ทุกคนทำใจหมอบอกให้เตรียมซื้อยาฉีดศพได้เลยโอ้แม่คุณหมอนี่เหลือเกินจากนั้นพ่อกเกษียชีวิตรวมมาอยู่ได้ห้าสบสี่ปีจำได้ไหมที่อ่านช้าๆเมื่อกี้นี้อ่ามานอนแล้วจับมือลูกสาวไปกลมวิธีทองแล้วสะดุ้งพลวดขึ้นมาเหมือนเห็นอะไรสักอย่างแล้วก็ล้มฟาดเปลี่ยงลงมเมื่อวาน ลูกนั่ ง, ง, งเอามือยื่นแขนยืมแล้วก็ไปเลยลลอ่าเดี๋ยวเรารู้ว่าคติเนี่ยไปทางเดียวกันหรือว่าไปคนละทางคุณแม่ขงลูกปัจจุบันอายุ77ปีท่านมีชีวิตที่ลำบากมากกว่าพี่น้องคนอื่นมาแต่งงานแล้วก็ยิ่งลำบากเพราะมีลูกเยอะแม่ต้องยกลูกสาวคนโตให้คุณตาคุณยายไปเลี้ยงท่านเป็นคนที่ใจดีใจบุญ ทำวัดเช้าเย็นทุกวันวันพระก็ไปถือศีลแปดที่วัดนี่คุณแม่นะนั่งสมาธิประจำตั้งแต่สาวๆและเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันผาคกวดวิชา<อ>ฟังเอ็มสาทุกวันที่บ้านเปิดดังลั่นทุกวันเ<อ>พราะแม่หูตึงขนาดหูท่านอย่างนั้นท่านยังขนขวา ย, ยากฟังใช่ไหมคนหูไม่ตึงแต่ไปขนขวายนี่เป็นคนชอบนนกลนะ แม่ฟังแล้วก็เข้าใจเรื่องบุญมากทำบุญกับหลวงพ่อทุกบุญไม่เคยขาดมาวัดทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนช่วงนี้มีเรื่องที่น่าแปลกใจ อ, อีกแล้ ว, อ, วยอย่าฟุ้งลืมฟังแต่ไ <laughs> คยฟุ้งลืมฟังยกมือขึ้นอย่าฟุ้งนะ <laughs> แม่กูด <laughs> ไม่ใหญ่อารมณ์ดีฝ <laughs> <laughs> นมันตกไม่ใหญ่เลย แม่จะได้ยินเ ส, ยเสียงเพลงที่เปิดที่ททงานวัดงานศพตลอดเวลางานศพคือท่านด้ยินตลอดเลยทั้งช่วงกลางวันและกลางคืน ท, ทั้งทั้งที่ไม่มีใครเปิดและไม่มีงานศพใครเลย ยกเว้นเวลามาวัดพระธรรมกายพอเข้าเขตวัดก็ไม่ได้ยินเสียงอพอเข้าเขตวัดเสียงเพลงงานศพไม่ได้ยินเลยแต่พอออกนอกเขตวัดได้ยินเหมือนเดิมได้ยินอีกโอ้โหคุณตางลูกเป็นทหารดูวิยสตรเป็นคนใจบุญสนทานชอบช่วยเหลือคนตอนนี้จะอ่านเร็วแล้วนะทําบุญที่วัดต่างๆเป็นประจําทั้งกระินผ้าป่าสร้างกุฏิสาราถวายพระไตรปิฎกรวมทั้งสร้างถนน และสร้างศาลาที่พักสําหรับคนเดินทางไว้พักเหนื่อยพร้อมจัดเตรียมข้าวปลาอาหารเลี้ยงคนที่มาพักด้วย<อ>ท่านจะรักษาศีลแปทุกวันพระและอบรมสั่งสอนลูกหลานไม่ให้ทําบาปหรือเบียดเบียนใครครับอ่าเร็วๆฟังทันไหมจ๊ะทันครับท่านมีโรคประจำตัวคือโรคหอบหืดเสียชีวิตเมื่ออายุได้74็ี<อ>่ปีคุณยายลูกเป็นคนใจบุญพระใจดีเหมือนคุณตาชีวิตของท่านสุขสบายไม่ลําบากบท่านทั้งสอง ร, รักกันมากขีดเส้นตายเป็นตัวอย่างที่ดีของชีวิตคู่ ท่านมีลูกทั้งหมด6คนเสียชีวิตเดยโรคชะลาเมื่ออายุได้85ปี<อ>คำถามคือหนึ่งทำไมคุณพ่อจึงอายุสั้นและตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหนได้รับบุญที่ลูกๆที่ไปให้หรือไม่สองทำไมคุณแม่จึงมีลูกเยอะถึง12คนแม่จะตอบยังไงดีนะคงกินกูเตียว <laughs> ไม่รู้จะตอบเลยท่านมีบุพกรรมอะไรครับจึงมีลูก12คน เออแล้วทำไมาจึงละบากมากไอชานี้ปัจจุบันทำไมาแม่หูตึงสามทำไมาคนแม่จึงได้ยินเสียงเพลงสทำไมาพี่สาวคุณโตจึงไม่ได้อยู่กับพ่อแม่แล้วมีวิบากกรรมอะไรต้องไปอยู่คนอื่น5้าคุณตากุมยาเสียชีวิตแล้วท่านไปอยู่ที่ไหนมีความเป็นอยู่อย่างไรได้รับบุญที่ลูกหลาาติดไปให้หรือไม่คุณพ่อตายเมื่ออายุห้าสสี่ปีนี่ฝันได้ฝันได้ชคือหลับ หลับแล้วก็ฝันไปเป็นตกเป็นตเป็นเรื่องเป็นลาวนะก่อนตายจับมือลูกสามาไว้ที่ท้องแล้วลุกพรวดล้มตึงไปเพราะเห็นต้องเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเห็นกรรมนิมิตชัดเจนพระดื่มสุราทุกวันไม่ดื่มแค่สองวันก่อนตายและคตินิมิต ชัดเจนคือทั้งมืดดำทั้งเห็นภาพเงาดำ oh. ของนายนิรยาบาล oh. เลยตกใจลุกพลวด oh. และก็ล้มตึงลงไปหมดอยายุไขพอดีถูกดึงดูไปสู่มหาเนโลกคุมที่ห้าทันที oh. ไปอยู่ข้างทานน้ำกรดสีดำ oh. มีนายนิรยาบาลกำลังกรุมกรอกน้ำกรอดอยู่ตลอดเวลา oh. จนตัวละลายและก็เฟ้นคืนชีพมาใหม่ซ้ำ <Okay. S 1> แล้วซ้าเล่า กายผอมดำใหญ่โตปานภูเขาย่อมย่อมทุกทรมานมากไม่อาจต้านทานนายนิรยบาลได้เพราะอาชินกรรมที่ดื่มสุรารยังไม่อาจรับบุญที่ลูกอุทิศไปให้ได้นะจ๊ะเหตุที่ท่านอายุสั้นก็เพราะการปัจจุบันคือคดื่มสุราเป็นอาชินกรรมรแล้วก็ฆ่าสัตว์ทำอาหารเป็นต้น ร, ร, รวมกับกรรมในอดีตก็ฆ่าสัตว์ทำอาหา ร, ร, รจะช่วยท่านได้ก็ต้องใช้วิธีพิเศษ คือปฏิบัติทํามให้เขาถึงพระธรรมกายแบบคุณยายอาจารย์คุณยายของเรารแล้วไปช่วยท่านนะจ๊ะเพราะว่าบุญทุกบุญที่ส่งไปด้วยวิธีธรรมดานะ่ไปไม่ถึงต้องไปคอยอยู่ที่ยมโลกแต่เดี๋ยวเราจะเห็นว่าท่านโดนอย่างไ ร, รจะมีภาพให้ดู<อ>คุณแม่มีลูกเยอะถึงส2บคนเพราะในอดีต ท, ท่านเกิดในสังคมเกษตรกร เวลาให้พรคู่แต่งงานกันก็มักจะบอกว่าให้มีลูกหัวปีท้ายปี oh. มีลูกดกๆก oh. และท่านชอบมีลูกเยอะๆ oh. คุ้นกับการมีลูกมากๆมาหลายชาติ oh. ไม่ได้มีกรรมอะไรหรอก oh. เพราะว่าท่านอธิษฐานอย่างนี้กับพ่อกับแม่ก็รักกันมากแหละ oh. ท่านก็เลยให้โอกาสผู้มีบุญมาเกิดนี่แหละ เหตุที่ลำบากในชาตินี้ก็เพราะขาดทานบารมีรทำทานมันน้อยแล้วก็มีลูกมากก็เลยยากจนนะจ๊ะเหตุที่หูตึงก็เพราะอายุท่านก็77ปีแล้ว<อ>สังขารก็เสื่อมไปเป็นธรรมดากับกรรมในอดีตเวลาเป็นวัยรุ่นพ่อแม่อบรมสั่งสอนก็ไม่อยากฟัง<อ>ทำเป็นไม่ได้ยิน<อ>มีใครมัง่งรับมาซื้อดี ลืมไปหมดแล้วครับลืมไปหมดแล้วเอาแล้วไปโหสิครับเหตุที่ได้ยินเสียงเพลงศพบ่อยๆเพราะท่านอายุมากแล้วน่ยเห็นคนโน้นคนนี้ตายก็คิดว่าสักวันตัวก็ต้องตายก็จะเลยมรณะนิสติอยู่เรื่อยๆกอบกับก็เบื่อสังหารสิ่งนี้ก็ฝังอยู่ในจิตในใจตายสํานึกของท่านทําให้ท่านกับเบื่อเบื่อเซ็งเซงกับชีวิต เพลงจบอะไรที่ท่านเคยได้ยินได้ฟังมันก็เลยได้ยินกล้องด้วยด้วยใจของท่านนั่นแหละครับไม่ใช่มีใครมาเปิดหรอกแต่พอมาเข้าวัดพระธรรมกายใจท่านใสอยู่ในบุญ<อ>ใจชุ่มอยู่ในบุญก็เลยไม่ได้ยินเสียง<อ>เพราะว่าไม่ได้คิดถึงเรื่องความตายคิดถึงแต่เรื่องบุญเรื่องธรรมะรเหตุที่พี่สาได้ไอยู่คุณตาคุณยายเพราะเคยเป็นลูกของคุณตาคุณยายมาก่อนในอดีตหลายชาติอกอบกับพ่อแม่มีลูกมาก ฐานะก็ยังไม่ดีจึงต้องยกไปให้ตายายเลี้ยงอะจ้ะครับส่วนคุณตาคุณยายตายแล้วท่านก็นไปอยู่ดาวดึงมีวิมานทองติดกันอยู่ที่เฟสสองอเพราะท่านสั่งสมบุญเอาไว้ ร, รักกันมากก็ไปอยู่ใกล้ๆกันวิมานติดกันได้รับบุญทุกบุญที่บุตทิศไปให้จ้ะ<อ>นี่คือเคสสตาดีอย่างย่อๆ